คิดอย่างไรจึงจะผ่อนคลายความทุกข์ได้ข้อที่2การคิดหาเหตุผลอย่างละเอียดเมื่อเราใช้วิธีแบบรวบรัดไม่ได้ผลจริงๆหมายความว่าได้พยายามแล้วก็ขับไล่สายส่งความรู้สึกหลัดกลุ่มทุกข์ร้อนให้หมดไปไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีสู้หน้ากับรายละเอียดของปัญหาเรื่องทุกข์ร้อนนั้นด้วยอาการซักไซ์ไตส่สวนอย่างละเอียด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 มันมีเหตุผลสมควรและจำเป็นแน่แหรือหรือว่าเราคิดกลุ่มเล่นตามประษา ค, คนชอบใช้ความคิดรังแกตัวเองเมื่อซักไซสไล่เลียงกันลงไปถึงรายละเอียดเช่นนี้บางทีความคิดข้างฝ่ายกลุ่มจะรู้สึกว่าให้เหตุผลไม่เคยได้เป็นคำตอบค่อนข้างจะอ้อมแอมเต็มทีหรือบางครั้งก็ใช้วิธีตอบแบบรวบรัดง่ายว่ามันอยากจะกลุ่มก็จะกลุ่มเนี่ย จะทำไมเล่าและตรงนี้เองที่ฝ่ายคิดกลุ่มถูกรกจนต้องตอบอยางหมดทางไปเป็นโอกาสที่เราจะได้หัวเราะเยาะความกลุ่มชนิดไม่มีเหตุผลเพียงพอของเราแต่ถ้าความคิดข้างฝ่ายชวนให้กลุ่มมีเหตุผลและรายละเอียดในการที่จะกลุ่มได้มากมายเราก็น่าจะได้ลองหาเหตุผลโต้ตอบเป็นข้อๆไปข้อสำคัญ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 ต่อสู้กับความรู้สึกทุกข์ร้อนนั้นอย่างเต็มความสามารถเมื่อเราตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับแนวทางที่จะชวนให้เราครุ้นคิดกลัดกลุ่มแล้วเราก็ไม่หาทางสนับสนุนความคิดกลัดกลุ่มนั้นมีแต่จะหาทางโต้แย้งอยู่ตลอดเวลาโดยวิธีนี้ก็พอจะเป็นการถางทางไปสู่ความเป็นผู้ไม่ค่อยคิดกลุ่มได้ตามสมควรในที่นี้ จะขอแสดงตัวอย่างซักไซ ส, สอบสวนรายละเอียดเป็นร า, รายไปเพียงบางเรื่องดังต่อไปนี้กลุ่มเรื่องนึกถึงความตายสมมุติว่านายกอเป็นผู้มีใจหดหูอยู่เนืองนิดไม่ว่าจะนึกคิดถึงเรื่องอะไรพอความคิดที่ว่าในที่สุดก็จะต้องตายกันไปหมดแทรกขึ้นมา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 ให้เราคิดกลุ่มในเรื่องนี้ขอให้ค้นหาคำตอบที่นึกว่าใกล้ความจริงหรือรอบคอบที่สุดข้อที่สองความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่ออายุเท่าไรถ้าไม่ได้ปีที่แน่นอนก็ให้ได้ระยะประมาณข้อที่สความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นพั ก, พก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 มันมีอำนาจเหนือจิตใจเราด้วยประการทั้งปวงคือก่อให้เกิดความกลัดกลุ่มหรือหดหูโดยไม่มีทางแก้ไขหรือว่าพอจะหักห้ามได้บ้างข้อที่7ความคิดที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เช่นนี้จัดเป็นความคิดที่โง่หรือฉลาดขอให้พยายามคิดให้รอบคอบก่อนแล้วจึงตอบปัญหานี้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 เร้กล่าแล้วว่าเราควรจะได้รวบรวมความฉลาดหรือสติปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมดมาช่วยกันหาทางต่อสู้กับความคิดฝ่ายจุงให้เราทุกร้อนเพราะฉะนั้นตัวอย่างการหาเหตุผลต่อแย้งนี้จึงยังไม่ควรถือว่าสมบูรณ์แล้วเพราะบางท่านอาจมีสติปัญญาและความฉลาดสูงที่จะค้นหาเหตุผลมาต้แยง้งความรู้สึกทุกร้อนได้ดีกว่าตัวอย่างนี้อีกไม่ใช่น้อยในที่นี้จะเสนอไว้พอเป็นแนวทาง